อ, อท่านประโยคาววิจรทั้งหลายสมรัติเพื่อไปสู่สมนเณีนทั้งหมดคําว่าพระโยคาวาจรก็รหมายถึงท่านที่ปฏิบัติเพื่อกรรมฐานตั้งใจปฏิบัติเพื่อพระโสดาปฏิมักหรือเพื่อโสดาปฏิผลในในสุดของท่านก็ต้องการความเป็นพระอรหันต์อย่างนี้เรียกว่าพระโยคาวาจร วันที่แนะนำไว้นี้ก็ยังเป็นที่เ ป, เป็นวันแรมสิบแรมสิบสามข้าเดือนตจตดจำวันที่ไม่ได้จะเป็นวันที่สิบสิบสสิบสองก็ตามจำไม่ได้แนะ่เดือนมิถุนายนสองพันร้อยสามสิบเอ็ดวันนี้ก็ขอพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเท่นะท่านรับฟังใหม่ กรดทราบอาการเจริญพระกรรมาฐานอันดับแรกจริงๆก่อนที่ท่านจะเริ่มภาวนาตอนนี้ขอทุกคนนึกถึงนิวรณ์ห้าก่อนนิวรณ์ห้ารายการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทำบัญญาให้ถอยหลังมีห้าอย่างขึ้นหนึ่งความรักในระหว่างเพศ เห็นรักรปสวยเสียงเพกินหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศสองความชุดโรดความโกรธความปัญญาบาทจองล่างจองพลนันสามความง่วงสี่อารมณ์พุ่งสร้างเกินไปห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้ารายการนี้เขาบรรดาธรรมพุทธบริษัท <c oughs> ขอถือว่ายับยังอารมณ์จิตไปก่อน <c oughs> ว่าทั้งห้าอย่างนี้ขนาที่จะเริยนกรรมฐานจะไม่ยอมให้มีในใจของเราเด็ดขาดว่าถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นจิตของท่านจะไม่มีสมาธิคำว่าชานไม่ต้องพูดกันเวลาไหนมีวนห้าประกายครอบคุมใจ เวลานั้นจิตแพ้นิวรานสมาธิไม่มีเข้าใจตามนี้ด้วยแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งไม่ใช่ทั้งห้าข้อยิ่งแพ้ทั้งห้าข้อยิ่งเหลวไหลมากตั้งใจว่าเวลานี้เราจะไม่ยอมแพ้นิวรณ์แต่ว่าเลิกแล้วก็หวังกับไปใหม่ความรักก็ความรักความโกรธก็ความโกรธอยากจังหวงก่อนนอน จิตจะคิดอะไรก็ตามใจชอบสงสัยก็ตามใจมันแต่ว่าเวลาที่จะเดินกรรมฐานพักชั่วคราวเอานิดเดียวจะทำสักนาทีสิบนาทีสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงก็ตามใจชอบแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของจิตที่จิตคบกับนิวรมาตั้งหลายอสงไขยกับมันก็ต้องแพ้มันบ้างจำไม่ว่าถ้าเวลาไหนแพ้มัน ูโตข้นมาแล้วก็สตาร์ทเริ่มงสตาร์ทขึ้นต้นสมัยก็หมดเรื่องกันไปก็ต้องแพ้บ้างชนะบ้างเป็นของธรรมดาชนะน้อยๆแพ้มากๆมันนายเข้ากับแพ้กับชนะพอๆกันนายนเข้ากักบนนกนนนกชนะมากกว่าแพ้ตามเวลาที่ปฏิบัติไม่ช้าเราก็จิงความเป็นชายก็เกิดหลังจากนั้นพอใจสบายแล้วก็เริ่มรู้ลมหายใจเข้าออก เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกขณะที่รู้ลมให้ใจเข้าออกนี่ปล่อยไปตามสบายของร่างกายอย่าบังคับลมร่างกายจะให้ใจบเบาและใจแรงก็ตามใจร่างกายอย่าไปบังคับหลังจากนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทเาจิตเป็นสุข ให้ใจเข้านึกตามท่าภาวนาให้นึกตามมาพุทธให้ใจออกต้งตามระโทสําหรับคำภาวนาเนี่ไม่จํากัดท่านบุญได้คล่องภานาอย่างไหนว่าอย่างนั้นได้ไม่ขัดข้อแต่การแนะนําขอแนะนําเอาง่ายที่สุดนั่นคือพุทธโทให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโทบางท่านชํานาญในสมาธิหังก็ได้อิทธิสุกโตก็ได้อย่างไหนก็ได้ไม่ห้าม ถือว่าเป็นพุทธานุสติเหมือนกันรือสังขานุสติก็ได้ธรรมานุสติก็ได้ตามใจชอบเมื่อรู้ลมให้ใจเข้าออกด้วยรู้คำภโพนาด้วยเพราะจิตเป็นสุขคำว่าอนุสติท่านแปลว่าตามนึกถึงพอเริ่มจิตเป็นสุขแล้วก็เริ่มนึกแบบนี้ไม่ต้องทำสมาธิเครียดพอใจส บ, บายไม่ต้องตึงเป็ง ให้จิตเมย์ลองคิดได้ก็นึกถึงความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายคนที่เกิดมาในโลกไม่ตายไม่มีเขาก็ตายเราก็ตายแต่ความตายไม่มีนี้ไม่เคยหมายจะมาอะไรก็ช่างให้เรามีความรู้สึกว่าอาจจะตายเดี๋ยวนี้ไว้เสมอแต่คิดอย่างนี้ไม่เหงอมืองอเท้านะทำงานตามปกติเพื่อยังไม่ตายจะได้โยกเป็นสุข ถ้าตายแล้วก็แล้วกันไปเป็นการทำงานในหน้าที่ครบถวนเ <c oughs> มื่อนึกถึงความตายแล้วก็แล้วก็ต้องยึดว่าการตายคราวนี้การตายของคน <c oughs> ถ้าจิตเป็นบาป ก, ก็ลงใบยภบุมสี่เค <c oughs> <c oughs> เป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุลกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นตน้นอาจจะเป็นทั้งสี่อย่าง ถ้าดีน้อยเป็นมนุษย์ถ้าดีมากหน่อยเป็นสาวดามีจิตเป็นชันไปปล่ม จ, จิตอา จ, จะกิเลสไปนิพพานเราก็จะต้องกันนรกบาปทำมาแล้วเท่าไรก็ตามเราจะไม่ทำบาปใหม่แต่เราจะไม่ยอมให้บาปเาาก่าเข้าครอบงมจิตลากเราไปสู่ไบยภูไม่ยอมไปเราจะไปอย่างต่ำก็สวรรค์ อย่างกลางเราจะไปฟรุรุมโลกอย่างสูงสุดเราจะไปนิพพานท่านี้มันบาปมาแล้วจะทํำยังไงก็ต้องการบาปสร้างกำแพงกัน้นนั่นคือสินห้ากับกำหนดสิบให้คเขาวนเขาว่ารวบไปเลยทั้งสินห้ากับกำหนดสิบบวกกันแล้วจะเป็นสิเอ็ดจะเป็นสิเอ็ดข้อเป็นข้อไม่ยากหนึ่ง ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์สองไม่ลักทรัพย์ไม่โกงเขาสามไม่ระพฤติผิดในตามสี่ไม่ดื่มโราเมรัยทางกายทางวาจาอีกสี่ขึ้นหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบสามไม่ส่อเสียดยุยงเขาแตกเลากันสี่ไม่พูดวาจาเลวไหลไรประโยชน์ อันนี้ทางด้านจิตใจหนึ่งไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดโดยไม่ชอบทำถ้าเขาไม่ให้เดเมตตาเราไม่เอาแล้วก็ไม่อยากได้พอใจเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบทำสองความโกรธยังมีอยู่แต่ไม่จองล้างจองผันไม่พยาบามไทย แต่ถ้าสามยอมรับนับถือคำสอนพระพุทธเจ้าตรงยอมปฏิบัติตามทั้งหมดนี้เขาบรรดาใจบริษัทต้องทําได้ต้องคิดว่าต้องทําได้ถ้าท่านบกพร่องข้อใดข้อหนึ่งถือว่าท่านยังเป็นเหยื่อของอบายภูมิอยู่ทั้งบาปเก่าและบาปใหม่มันจะลงโทษท่านแต่ถ้าหากว่าท่านสามารถทําได้ครบทน ขึ่นเชื่อว่าบาปเก่าๆลงโทษทาำไมได้บาปใหม่ของท่านไม่มีเพื่อทําจิตอย่างนี้และเพื่อความมั่นคงของจิตก็คือนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ทําทุกอย่างให้ทานรักษาสินเจริญภาวนาเราทําเพื่อพระนิพพานไม่ต้องการผลตอบแทนในชาติปัจจุบันถ้าปฏิบัติในการบทสิบกระสินห้าบทกันได้ก็ดี ยอมรับเรถผีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็าตามนึกถึงความตายเป็นปกติก็ดีสง่งลมห้ใจเข้าออกกระพรวนานได้แบบสบายๆก็าตามทุกคนทําได้อย่างนี้จิตจะมีความสุขในชาตินี้จะหาความทุกข์ได้ยากจะมีแต่อารมณ์สดชื่นไปที่ไหนก็เป็นที่รักของคนทุกคนคนส่วนใหญ่นอกจากคนเลวจริงๆเท่านั้นมันดเดเกลียด ก็ไปของท่านบรรดาพระพุทธเจา้าจอมคนดีก็จะมีคนเกลียดแต่ว่าถ้าคนเลวเขาเกลียดแต่คนดีไม่เกลียดแล้วต้องการคนดีไปไหนก็ยัมีพวกมากเพื่อนมากที่มีอารมณ์เป็นสุขกลมความมาทั้งหมดนี้ที่ทำที่กล่าวมาแล้วนักปฏิบัติใหม่พยายามฝึกให้ได้สำหรับท่านนักปฏิบัติเก่าให้ทําตามนี้ ให้เขียนคํว่ามรณะสติคือคําว่าเราจะต้องตายเขียนไม่ขาดที่นอนจะตายเมื่อไรก็ช่างมันอาจจะตายเดี๋ยวนี้ก็ได้เราจะได้แม่ประมาทชีวิตกันความทุกข์คืนหนึ่งนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์แล้วก็ต่อไปเราจะมีกําแพงกั้นในใบภูมิคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พฤติยกรรมสีไม่ดื่มโซดาไม่ไร แล้วก็ห้าไม่พูดปดหกไม่พูดทาหยาดเจ็ดไม่พูดสอ่อเสียดแปดไม่พูดเพ้อเจอือแล้วไหลและประโยชน์เก้าไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครสิบไม่จองล้างจองแผงขายสิบเอ็ดยอมรับนับถือพระเจ้าดีความเต็มใจจะปฏิบัติตามทุกอย่างขาเขียนไว้ตามนี้แล้วก็สิบสองเราตายเมาายื่อไรเขาปฏิพันธ์เมื่อนั้นเขียนไว้ขา้า ท, ที่นอนตื่นเมื่อไราดูเมื่อนั้น เราวันนี้เราจะไม่ละเมิดข้อนี้ทั้งหมดถ้าตื่นเช้ามาทุกอย่างที่เราเขียนไว้จะปฏิบัติให้ได้จะไม่มีทางละเมิดข้อใดข้อหนึ่งพอถึงเวลาจะนอนก็ดูใหม่ก็ดูใหม่ว่าไอ้สิ่งที่เราพูดไว้กับคิดไว้มันตรงตัวไหมถ้าเห็นว่ามีการทรงตัวจริงๆก็ใช้ได้วันต่อไปเราก็จะไม่ละเมิด ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งที่พลาดครั้งจะพิดววาในเวลาต่อไปเราจะไม่ยอมปฏิบัติตำนั้นไม่ความเราจะไม่ยอมละเมิดต่อไปจะทำให้ครบถ้วนในใดถ้าเวลาก่อนจะหลับเอาข้อวัดปฏิบัติที่เขียนไว้มันดูว่าวันนี้เราบกพร่องอะไรบ้างไปเห็นว่าบกพร่องก็คิดว่าวันพรุ่งนี้เราจะไม่ยอมบอกพร่องเลยขาด เมื่อตื่นใหม่ๆเมาอ่านตั้งใจว่าจะทำอย่างนั้นตรงถ้าทำแบบนี้ไม่ช้าจิตจะชินสินห้าบวกกรหมดสิทท่านจะทรงได้ภายในสามเดือนถ้าทรงได้เมื่อไรก็หมายความว่าท่านไม่ต้องลงอบายภูมิสีตอนนี้ก็มาพูดตั้งหลักการปฏิบัติเราปฏิบัติเพื่อพนิพพาน ทุกคนจะตั้งใจปนิพาณจะไม่ไปก็ตามน่าที่สุดมนันต้องไปถ้าบุญบา ร, รมียังอ่อนยังมีความเข้าใจผิดอยู่มากก็ยังไม่อยากไปถ้าถึงคราวาระเข้ามาถึงความเข้าใจถูกมีมากขึ้นก็ไปต้องความว่าความเข้าใจถูกคือบา ร, รมีเต็มบา ร, รมีท่านเรียกว่าเต็ม แต่คำว่าบารมีจริงๆพระพุทธเจ้าให้แปลว่ากาลังใจเต็มท่านนักปฏิบัติทุกคนต้องเขียนบารมีสิบไว้ข้างดินนอนตามที่ส่วนหนึ่งเขารู้สิษย์ว่าปานที่ท่านปฏิบัติมาท่านทำแบบนี้ท่านสั่งบอกว่าให้เขียนบารมีสิบไว้ข้างดินนอนส่วนนี้เขียนก่อนก็ต้องเขียนเพราะเรายัางพร่องอยู่ต้องเขียนเขียนเสร็จ แล้วก็ค่อยดูกันบารมีสิบต้องเขียนเหมือนกันเขียนตัวใหญ่ๆบารมีสิบอย่างก็คือหนึ่งทานบารมีการให้ทานสองศีลบร า, ามรมีการรักษาศีลสามเนคขมารมีความอดใจสี่ปัญญาบารมีการรู้รอบห้าวิยะาบารมีมีความเพียรต่อสู้อุปสรรค 6ขันติบารมีมีความอดทน7ดสัจจะบารมีมีความจริงใจต่อสู้แน่แปดอธิฐานบารมีตั้งใจไว้สิบเมตตาบารมีสร้างความรักให้เกิดขึ้นในคนณละสัตว์สี่อวิคสิบอวคขาบารมีวางเฉยตอนนี้สำหรับบารมีสิบอย่างเขียนไว้ข้านีนอนตอนนี้ไปตอนเอาจริงกัน เก้าวเข้าไปหาใกล้นิพานแล้วเพราะว่าก็จะทําได้ไม่ได้ครบไม่ครบเป็นของธรรมดาไม่ใหม่มันก็พลาดมาว่าถึงบา ร, รมี 10, สิบสมมติว่าถ้าเราให้ทานเราให้ทานอย่างเดียวมันก็มีแค่ทา น, นบา ร, รมีแต่ความจริงไม่อย่างนั้นเราให้ทานในบา ร, รมีสิบต้องเข้ามาครบถ้วน อย่างการย้า้ทานเป็นทานบาวรีทานบารมีแน่แต่การที่ะ้ห้ทานได้เขจะต้องเป็นขอโทษเขาเวลานิดหน่อยการย้า้ทานได้จริงๆก็ต้องมีเหตุสองอย่างคือว่ามีความรักหรือว่าความสงสารที่ก่อนที่ย้ทานจริงๆก็ต้องมีเมตตาความรักถ้าเราไม่รักเราก็ไม่ให้ เราไม่สงสารแล้วก็ไม่ให้ขณะการให้ทานนอกจากมีทานบารมีแล้วก็มีเมตตาบารมีเขาบวกดังนั้นเมื่อมีเมตตาบารมีเขาบวกแล้วต่อไปก็ดูศินบารมีเวลาให้ทานเรามีสินบารมีไหมต้องคิดว่าเวลาที่เราให้ทานเรามีจิตเมตตาในบุคคลบุคคลและสายคนนั้นคําว่าสีนก็หมายถึงมีเมตตาเป็นพื้นฐานคิดจะทาลายเขา คิดจะรักเขาคิดจะแย่งเขาคิดจะฆ่าเขาคิดจะแย่งคนรักเขาคิดจะโกหกอันนี้ไม่มีในคนที่เราจะให้ทานเราตั้งใจให้ดีเท่านั้นเวลานั้นสินห้าประการนี้กมวสิบไม่ก็มีครบในการให้ทานเพราะว่าคนที่เราจะให้หนึ่งเราไม่คิดจะฆ่าเขาเป็นต้นแล้วก็ต่อไปก็ว่าในเมื่อเรามีศีลบา ร, รมีแล้วมาดูเนคขมะบา ร, รมีมีไหม นี่ธรรมบารมีคือว่าการอดใจในการมารมม์ก็วงความในขณะนั้นที่เราให้ทันอารมณ์นิวรณห้าเราไม่มีหนึ่งความรักระวังเพศแม้ที่คนที่เราให้ใหญ่จะได้เขาเป็นสัญญาสา ม, มีไม่มีสองความโกรธไม่มีสามความวง่วงไม่มีห่วงให้ทานไม่ได้ เสียลงรมุ้สร้างคิดไม่ให้ก็ไม่ให้ให้จะไม่ให้ไม่มีห้าสงสัยว่าเขาเจ้าทรัพย์สินแล้วไปไหนไม่มีเราตั้งใจให้ด้วยความเมตตากรณีสงเคราะห์ตอนนี้ปัญญาบารมีปัญญาบารมีมีไหมเขาต้องตอบว่ามีการให้ทานเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดความรักระหว่างผู้ให้กับผู้รักคนรับทานย่อมให้ในคนผู้ให้ทาน คนให้ทานมีผิดสงเคราะห์บุคคลว่าผูรักแต่ี้เมื่อพว้ให้มีคนรักให้คนหนึ่งเขาก็รักคนหนึ่งแต่คนคนนั้นมีพวกมีพ้องมีพี่มีน้องมีญาติเราให้คนไหนกลุ่มคนละกลุ่มคนพวกนั้นก็รักเรารวมความรวมความว่าเรามีคนรักหลายคนในเมื่อเรามีคนรักหลายคนแล้วก็มีความสุขไปไหนมีแต่คนรักเวลานั้นจะมีแต่ความยินมแย้มแจใส ดังนั้นการให้ทานที่ว่าเป็นผู้มีปัญญาในเวลานั้นจะเป็นผู้มีปัญญาครบถ้วนวิญญาบารมีถ้า ต, ต่อมาก็เป็นวิทยาบารมีมีไหมวิทยาบารมีก็หมายความอดพยายามตั้งใจต่อสูก้กอบปสรรค์อ้ศักดิ์ในการให้ทายคือความกระหนี่ขี้เห น, น, น, น, นียวทรัพย์สินที่เราหามาได้า ย, ยากเราจะให้เขามางทีเราไม่อยากให้ แต่ต้องสมีความเพียงต่อสู้ศักดิ์ห้ามหันความตนีขี้เหนียวเพราะใสายปัญญาบารมีช่วยให้เห็นว่าการช่วยเขาเป็นการช่วยตัวเองให้มีความสุขก็มีคนรักมากเวลานั้นก็ถือมีวิทยะบารมีด้วยคันติบารมีเรามีไหมคันติคือความอดทนทรัพย์สินนต่างที่หามาได้หาด้วยความเหนื่อยยากถ้าเราแบ่งไปก็แตดความเหนื่อยให้เขาไป ทักสินพยหามาให้เราได้ก็ไม่สารจะที่เราจะใช้ครอบพ้นมันก็ไม่ครบเะนั้นความอดทนในการตั้งใจจะให้เพียงจะให้พระสุนติก็อดใจให้เพิ่มเป็นการรักษาเมตตาบารมีและปัญญาบารมีเป็นนี้ปัญญาบารมีเขาช่วยปัญญาบารมีเขาช่วยให้เกิดคันติความอดทนอดกลั้นให้เถอ ะ, ะขอมันน้อยไปหน่อยเราทรําเพิ่มใหม่ได้ การตามเพิ่มใหม่ต้องใช้กำลังกายต้องทั้กำลังปัญญาต้องใช้กำลังทรัพย์แต่ว่าเราก็ทำร่วมความเราก็มีคันติบารมีด้วยทีนี้สัจจะบา ร, รมีมีไหมสัจจะบา ร, รมีเพราะตัวปัญญาตั้งใจคิดว่าถ้าให้ทานะจะไปมีมิตรที่ดีคนแทนที่เป็นศัตรูร้อปรเซ็ก็ไม่เป็นแล้ว คนบางคนอาจจะอักขันอูไม่รู้ขุนคนเป็นของธรรมดาอย่างว่าพระพุทธเจ้าเมตตาเนี่ยที่ว่าทัดทศท้ายก็อักขันอยูก็มีส่วนน้อยแต่นคนที่มีส่วนดีมีมากดังนั้นการตั้งใจที่พระเจ้าจให้ก็ให้เจียงตามนั้นไม่เปลีป่ยนแปลงเป็นสัจจะบารมีอันนี้อธิษฐานบารมีคิดว่าถ้าเราให้เราตั้งใจคิดว่าเราจะต้องเป็นคนมีทาน ต้องเป็นคนมีศีลจะต้องเป็นคนมีการเจริญภาวนาเราตั้งใจจะทำํำนี้เราทําจริงตามบ้าแปรอธิษฐานบา ร, รมีการตั้งใจไปเนเต็มตอนนี้เมาเวิขาการให้ทานนั้นเป็นการเดยดเวียวตัวเองชัดให้แล้วทรัพย์สินน้อยลงไปกําลังใจก็เขาช่วยเพราะเป็นยาบา ร, รมีก็ช่วยช่างเถอะไม่เป็นไรให้เขาแล้วก็เลยกกันไปวางเฉยไว้ คนที่รับทานจากเราจะรู้คุณไม่รู้คุณก็เป็นเรื่องของเขาเราต้องการจุดเดียวคือสวรรค์หรืวอว่าพรห ม, มโลกหรานิพผ่านเราตั้งใจเฉพาะไปเพราะส่วนที่สูงเท่านั้นก็อาจจะพูดเร็วไปหน่อยเพราะไม่มี <c oughs> ไม่มีการเตรียมตัวมาก็ข อ, อย้าว่าเรื่องบารมีข อ, อย้าอีกเที่ยวเวลาที่ห้านาทีทุกคนมนีอนุสติครบถ้วนแล้ว ให้เขียนบารมีสิบไว้ข้างที่นอนคือหนึ่งทานบารมีสองศีลบารมีสามเลคมะบารมีสี่ปัญญาบารมีห้าวิทยาบารมีหกคันติบารมีเจ็ดสัจจะบารมีแปดอธิษฐานบารมีเก้าเมตตาบารมีสิบอเมทขาบารมี ปลืมตาขึ้นจากที่นอนให้ดูบารมีสิบระการว่าวันนี้ทั้งวันเราจะทรงบารมีสิบในครบก่อนจะหลับก็ทรงบารมีใหม่ให้ขออนุญาตดื่มน้ํานิดหน่อยก่อนจะหลับก็ตรวจดูใหม่ว่าวันนี้ทั้งวั น, ะะร น, น, ร น, รนเรนนนนบานนบกเบ่้ยในบารมีข้อไหนบ้าง นี่ก็ว่ากันไปถึงปรามีสิบ <c oughs> มาพูดถึงการปฏิบัติประมีสิบย้อนอีกครัง้งหนึ่งเมื่อกี้อาจจะเร็วไปไม่มีการเตรียมตัวมาก็คร่อกแคล่วนังสีก็มาได้เขียนมานด้วยที่พูดเนี่ยไม่ได้เขียนหนังสือขอตั้งตอนว่าถ้าเราจะให้ทันก็ดีรักษาสิ่งก็ดีเจริญภาวนาก็ตาม ทุกอย่างที่ทําเริ่มต้นท่านลงมือทําได้นั่นคือบารมีสิบครบถ้วนดันั้นการเจริญบารมีสิบไม่จําเป็นต้องไปไล่เดียดหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงสิบให้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งบารมีสิบท่านอยครบถ้วนถ้าบารมีสิบครบถ้วนอย่างอ่อนท่านจะเป็นวาโซนากับสิกทาคามีได้ถ้าบารมีสิบเต็มครบถ้วนอย่างกลางจะเป็นพระานาคามีได้ ถ้าเป็นปรมัตตาบรมีคือเต็มอย่างยิ่งจะเป็นพระอรหันติทีปฏิบัติเช่อสมมติว่าการให้ทานอย่างเดียวการให้ทานอย่างเดียวเป็นทานบารมีท่านี้ในเมื่อมีทานบารมีแล้วก็ต้องมาดูว่าเมื่อมีทานบารมีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนะอย่างเนื้อนี้บารมีอีกเก้าจะมีไหมก็ต้องมาพิสูจน์ดูว่าการให้ทานได้เพราะเมตตา เมตตาความรักกุณาความสงสารแสดงว่าการให้ทานเราก็มีเมตตาบารมีเข้าควบถ้าขาดเมตตาเราให้ไม่ได้นีการให้ทานมีศีลไหมก็ต้องยกว่าขณะที่ให้ทานศีลข้อไหนขาดบ้างไม่มีขาดเลยการคิดจะฆ่าเขาที่เก่ามยเขาจะแย่งความรักเขาไม่มีเกรงเขาเราก็มีศีลบารมีด้วย นี่การให้ทานมีเนคขมะบารมีไหมเนคขมะบารมีหมายการอดใจในในธรรมะในที่วรห้าประการก็ดูว่าขณะที่ให้ทานใหญ่จแต่งงนานคนรับทานไหมไม่มีเป็นต้นแสดงว่าให้การให้ทานก็มีเนคขมะบารมีด้วยนี่การให้ทานมีปัญญาบารมีไหมก็ต้องคิดว่าคนไร้ปัญญาให้ทานไม่ได้ คนให้ทานได้คือคนมีปัญญาเพราะการให้ทานเป็นปัจจัยเกิดความรักมัอเป็นปัจจัยเกิดความสุขเราให้เขาเขารักเราเราให้ใครคนใดคนหนึ่งคนนั้นมีพวกมีพ้องกี่คนเขารักเราในเมื่อเรามีคนรักมากแล้วก็มีความสุขมากที่เวลามันใกล้จะหมดก็กโพตรเร็วแล้วในการให้ทานมีวิยะบา ร, รมีไหมก็ต้องมีด้วย ก็ได้คือว่าการให้ทานต้องตัดสิ้นใจต่อสู้กับความตณหนีความหางษ์แหนเมื่อการทําอย่างนี้ต้องสู้กันในความเพียรแสดงว่ามีวิทยาบา ร, รมีด้วยการให้ทานมีคันติบา ร, รมีไหมเวลามันจะหมดการอดทนอดใจต้องมีแน่คันติความอดทนไม่มีให้ทานไม่ได้เพราะทรัพย์สินต้องเสียไปต้องอดใจอดทนและการให้ทานมีสัจจะบา ร, รมีไหมต้องมี ว่เราเป็นนักปฏิบัติกรรมฐานต้องมีทั้งทานั้องศีลต้อ ง, ง, าองภาวนาการให้ทานเป็นสัจจะอันหนึ่งที่เราจะมีไว้ในการเจริญกรรมฐานเพื่อการทําลายโลภ ค, ความโลภ ก, การให้ทานมีอธิษฐานอานนบารมีไว้ก็ต้องตอบอว่ามีเพรอาธิฐานนบารมีคือการตั้งใจเราตั้งใจจะปฏิพานเนี่ยต้องตัดความโลภด้วยการให้ทานตัดความโกรธด้วยการอาศัยศีล สร้างปัญญาเกิดทีการเจริญภาวนาต้องมีนี่การให้ทานมิวเบคคราบมีไหมก็ต้องตอบว่ามีความวางเฉยให้ทานไปแล้วไม่นึกเสีน้นใดไม่นึกอยากจะได้ดึงเอากลับมาใหม่โดยไม่หวังผลตอบแทนเขาจะทําปฏิบัติยังไงเป็นเรื่องของเขาไม่ต้องการมองผ ล, ผ ล, ผลตอบแทนเราต้องการอย่างเดียวคือผลได้แก่พระนิพพานประการให้ทานอรบรรดาทรรมพุทธบริษัท มันก็ต้องรีบพูดเร็วเพราะเวลาจะหมดและเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีก็ต้องขอยุติวัตเพียงตัวนี้ขอความสขสวัสพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบรรดาจรพมวสาชนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี